ลำดับนั้นวิตุระบันดิตเห็นบุตรธิดาและพวกญาติเหล่านั้นเข้าไปหาแล้วนั่งนิ่งเงียบอยู่จึงกล่าวว่าลูกลูกเอ๋ยพวกเจ้าอย่าวิตกไปเลยอย่าเศร้าโศกอย่าพิไรรำพันไปเลยสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาสมมุติธรรมอันได้นามว่ายศย่อมมีวิบัติเป็นที่สุด อันหนึ่งเราจะแสดงเหตุให้ได้ยศชื่อราชวัสดีธรรมแก่พวกเจ้าพวกเจ้าจงตั้งใจสดับราชวัสดีธรรมนั้นครั้นกล่าวดังนี้แล้วจึงเริ่มแสดงราชวัสดีธรรมด้วยพุทธลีลาพระศาสดาเมื่อจะประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าก็วิธุระบัณฑิตนั้น มีความดำริแห่งใจอันไม่หดหูได้กล่าวกับบุตรธิดาญาติมิตรและเพื่อนสนิทว่าแน่ลูกรักทั้งหลายลูกทั้งหลายจงมานั่งฟังราชวสดีธรรมอันเป็นเหตุให้บุคคลผู้เข้าไปสู่ราชสกุลได้ยศบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเพื่อนสนิทสุหะทัชะเนได้แก่ คนมีน้ำใจดีคำว่าเอถัยยาแน่ลูกรักทั้งหลายจงมาตัดบทเป็นเอถะไอายาวิตุระบัณฑิตนั้นเรียกบุตรและธิดาด้วยคำร้องเรียกอันน่ารักคำว่าราชวัสดีธรรมราชวัตติงความว่าพวกเจ้าจงฟังการบำรุงพระราชาที่เราจะกล่าว คำว่าอันเป็นเหตุยะถาได้แก่ด้วยเหตุใดคำว่าเข้าไปสู่ราชสกุลราชากุลมปัตโตความว่าบุคคลผู้เข้าไปสู่ราชสกุลคืออยู่ในสำนักพระราชาย่อมได้รับยศพวกเจ้าจงฟังเหตุนั้นผู้เข้าไปสู่ราชสกุลพระราชายังไม่ทรงทราบความสามารถ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 บรรดาคำเหล่านั้นคําว่ายังไม่ทรงทราบความสามารถอัญญาโตได้แก่ผู้มีคุณยังไม่ปรากฏผู้มีผลงานยังไม่เด่นชัดคําว่าไม่ควรกล้าเกินไปนาติสุโรได้แก่ไม่กล้าเกินไปคําว่าไม่ควรขาดเกินไปนาติทุมเมโธได้แก่ ไม่ใช่ผู้มีชาติแห่งบุคคลผู้คลาดคำว่าเมื่อใดพระราชาทรงทราบความประพฤติปกติของราชสเสวกนั้นยท า, ศาสศีลังความว่าเมื่อใดพระราชาทรงประสบศีลปัญญาความสะอาดของราชสเสวกนั้นคือทรงทราบอาจาระสมบัติกำลังแห่งญาณและความเป็นผู้สะอาดของสเสวกนั้น ข้อว่าเมื่อ น, นั้นย่อมทรงวางพระไถยในราชสเสวกนั้นอัถวิสาสเตตมิความว่าเมื่อ น, นั้นพระราชาทรงไว้วางใจในสเสวกนั้นคือทรงกระทาความคุ้นเคยไม่ต้องรักษาไม่ต้องปกปิดความลับของพระองค์ย่อมทรงเปิดเผยแก่ราชสเสวกนั้นราชสเสวกอันพระราชาตรัสใช้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 ราชสเสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าดังตราชูตุลายถาความว่าราชสเสวกอันพระราชาตรัสใช้คือรับสั่งในราชกิจบางอย่างว่าเจ้าจงทากรรมนี้ไม่พึงหวั่นไหวด้วยอำนาจการถึงอคติมีฉันทาคติเป็นต้น คือพึงเป็นผู้เสมอในกิจทั้งปวงเหมือนตราชูที่ประคองไว้ดีแล้วซึ่งมีประการดังกล่าวแล้วนี้อันไม่ยุบลงไม่ฟูขึ้นฉะนั้นคําว่าราชาสเสวกนั้นพึงอยู่ในราชาสํานักได้สราชาวัสติงความว่าราชาสเสวกเห็นปานนี้นั้นพึงอยู่ในราชาตระกูลพึงปริบัติพระราชา ก็แลเมื่อปรนิบัติอย่างนี้พึงได้ยศข้อว่าตั้งใจกระทำราชกิจทุกอย่างสัพพาณิอภิสามโพนโตได้แก่ทำราชกิจทุกอย่างราชสเสวกต้องเป็นคนฉลาดในราชกิจอันพระราชาตรัสใช้กลางวันหรือกลางคืนก็ตามไม่พึงหวาดหวั่นในการกระทำราชกิจนั้นๆ ราชเสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้ราชเสวกต้องเป็นคนฉลาดในราชกิจอันพระราชาตรัสใช้กลางวันหรือกลางคืนก็ตามพึงตั้งใจกระทำราชกิจทุกอย่างราชเสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้ทางใดที่เขาตกแต่งไว้เรียบร้อยดีสำหรับเสด็จพระราชดาเนินถึงพระราชาทรงอนุญาต ราชาสเสวกก็ไม่ควรเดินโดยทางนั้นราชาสเสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าไม่พึงหวาดวันณนะวิกรรมเปยะความว่าราชาสเสวกไม่พึงหวั่นไหวปฏิบัติราชกิจเหล่านั้นคำว่าทางใดสำหรับเสด็จพระราชดำเนินโยจัดสะ ความว่าผลทางที่เขาตกแต่งไว้เป็นอันดีเพื่อเป็นมักควิถีเสด็จพระราชดำเนินคำว่าที่เขาตกแต่งไว้เรียบร้อยดีสุปติยาธิโตความว่าทางที่เขาตกแต่งไว้เรียบร้อยดีแล้วราชสเสวกแม้จะได้พระราชาอนุญาตว่าเจ้าจงไปทางนี้ก็ไม่ควรเดินไปทางนั้น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 หรือพูดจาทัดเทียมกับพระราชาควรทำอากับกิริยาเป็นอย่างอื่นราชสเสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้บรรดาคําเหล่านั้นคําว่าไม่กับพระราชาณนะรญโยความว่าเป็นราชสเสวกไม่พึงบริโภคโภคสมบัติที่น่าใครทัดเทียมกับพระราชา เพราะพระราชาย่อมทรงกลิ้วต่อบุคคลเช่นนั้นคำว่าในทุกสิ่งทุกอย่างสัพพัทธะความว่าพึงเดินตามหลังพระราชาปฏิบัติให้ต่ำกว่าในกามคุณทั้งปวงมีรูปเป็นต้นคำว่าควรทำอากับกิริยาเป็นอย่างอื่นอัญญกเรยะความว่า พึงทำอากับกิริยาอย่างอื่นจากราชอากับกิริยาข้อว่าราชาสเสวกนั้นพึงอยู่ในราชาสำนักได้สราชนวสติงวเสความว่าบุคคล น, นั้นพึงเข้าไปเฝ้าพระราชาแล้วพึงอยู่เมื่อพระราชาทรงพระสรําราญอยู่กับหมูอัมมาต์อันพระสนมกำนันในเฝ้าแหนอยู่ เสวากามาตเป็นคนฉลาดไม่พึงทำการทอดสนิทในพระสนมกำนันในราชสเสวกไม่ควรเป็นคนฟุ้งซ่านไม่ขนองกายวาจามีปัญญาเครื่องรักษาตนสำรวมอินทรีย์ถึงพร้อมด้วยการตั้งใจไว้ดีราชสเสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าการทอดสนิท ภาวังได้แก่ความประสงค์ด้วยอำนาจความคุ้นเคยคำว่าไม่ขนองกายวาจาอจัปปะโลได้แก่ไม่ขนองเป็นปกติคำว่ามีปัญญาเครื่องรักษาตนนิปกโกได้แก่ผู้มีญาณแก่กล้าคำว่าสำรวมอินทรีสังวุตินทริยได้แก่ ผู้สำรวมปิดกั้นอินทรีย์หกได้แล้วคืออย่าพึงมองดูอวัยวะน้อยใหญ่ของพระราชาและไม่พึงมองดูนางสนมกำนันของพระราชานั้นข้อว่าถึงพร้อมด้วยการตั้งใจไว้ดีมโนปนิธิสัมปันโนได้แก่ผู้ประกอบด้วยจิตอันไม่วันไวคือตั้งไว้ด้วยดีราชาสเสวกไม่ควรเล่นหัว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 ราชาสเสวกไม่พึงขึ้นร่วมพระตังราชบัลังพระราชาอาดเรือและรถพระที่นั่งด้วยอาการทนงตนว่าเป็นคนโปรดปรานราชาสเสวกนั้นพึงอยู่ในราชาสำนักได้ราชาสเสวกต้องเป็นผู้มีปัญญาเครื่องพิจารณาไม่ควรเข้าเฝ้าให้ไกลนักใกล้นักควรยืนเฝ้าพอให้เท้าเธอทออพระเนตรเห็นถนัด ในสถานที่ที่พอจะได้ยินพระราชดำรัสเบื้องพระพักของพระราชาราชาสเสวกไม่ควรทำความวางใจว่าพระราชาเป็นเพื่อนของเราพระราชาเป็นคู่หูของเราพระราชาทั้งหลายย่อมทรงพิโรธได้เร็วไวเหมือนในตาอันผงกระทบราชาสเสวกไม่ควรสําคัญตนว่าเป็นนักปราชเป็นราชบัณฑิต พระราชาทรงบูชาไม่ควรเพชทูลถ้อยคำหยาบคายกะพระราชาซึ่งประทับอยู่ในราชบริษัทบรรดาคาเหล่านั้นคำว่าไม่ควรเจรจาปราศัยณมันเตยะความว่าเป็นราชสเสวกไม่ควรเล่นหัวกับพระสนมกํานันในไม่พึงเจรจาปราศัยในที่ลับคำว่า ซับจากพระคลังหลวงโกษาทะนังความว่าอย่าลักลอบเอาพระราชทรัพย์จากพระคลังหลวงคําว่าไม่พึงดื่มสุราจนเมาไมา้นะมาทายะความว่าพ่อและแม่ทั้งหลายราชสเสวกไม่พึงดื่มสุราจนเมามายคําว่าในสถานที่พระราชทานอภัยทาเยความว่าไม่พึงฆ่า ไม่พึงเบียดเบียนมรึกที่พระราชทานอภัยคำว่าพระราชอาดโกดชังได้แก่พระแท่นพัทรบิดคำว่าเป็นคนโปรดปรานสั ม, มะโตมหิความว่าราชสเสวกยาธนงตนว่าเราเป็นคนโปรดปรานทำเอาแต่ใจข้อว่าควรยืนเฝ้าในสถานที่ที่พอจะได้ยินพระราชดำรัส เบื้องพระพักของพระราชาสเมขันจัดสะติดเทยะความว่าเป็นราชสเสวกพึงยืนข้างหน้าของพระราชาในที่ไม่ไกลนักไม่ใกล้นักพอที่จะได้ยินพระดำรัสที่ตรัสใช้ข้อว่าพอให้เท้าเธอทอดพระเนตรเห็นถนัดสันทิตสันโตสพัตตุโนความว่า ราชสเสวกนั้นพึงยืนอยู่ในที่ที่เท้าเธอจะทอดพระเนตรเห็นได้คำว่าอันผงสุเกนะความว่าเป็นราชสเสวกอย่าชะลาดใจว่าพระราชาเป็นเพื่อนของเราและเป็นคู่กันกับเราอันพระราชาทั้งหลายย่อมทรงพิโรธเร็วไวดุดในตาถูกผงกระทบเสียความเป็นปกติไปฉะนั้นข้อว่า ไม่ควรสำคัญตนว่าพระราชาทรงบูชาณปูชิโตมัญญามโนความว่าเป็นราชาสเสวกไม่พึงถือตนว่าเราเป็นผู้อันพระราชาทรงนับถือบูชาคําว่าถ้อยคําหยาบคายพรุสังความว่าไม่พึงเจรจาปราศัยถ้อยคําอันเป็นเหตุให้พระราชาทรงพิโรธ